นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมุทตะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทตะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทตะ ขอนอบน้อมแด่พระภูมีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นนาโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนาด้วยวิธีนั่งสมาธิภาวนา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 อวาวนาพุโทโธหรืออุบายอื่นใดที่ถูกกับจริตนิสัยจิตใจของตนก็เอาอุบายนั้นมาจเจริญมาพิจารณาหรือการได้ยินได้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้เมื่อเราได้ยินได้ฟังจิตใจเราไม่ไปทางอื่นก็ถือว่าอุบายธรรมต่างๆที่ท่านจีแจงแสดงไป ก็เป็นโอบายทมแต่ละข้อแต่ละอย่างเพื่อจะเด่นนำมารวมจิตรวมใจของเราให้สงบระงับเป็นการใช้ได้ทางนั้นอันการปฏิบัติบูบชาภาวนาในทางพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่า ให้รวมจิตใจเข้ามาสู่หลับปัจจุบันคือในขณะนี้เวลานี้จะมีอารมณ์คุนคล้องมองใจด้วยเรื่องราวอะไรที่เป็นอดีตอนาคตกไ็ไม่ให้เอามาคิดนึกปรุงแต่งในเวลานี้ให้ถือเสียว่าสิ่งใดมันล่วงมาแล้วสิ่งนั้นมันก็ล่วงมาแล้วหมดไปแล้วสิ้นไปแล้ว เหมือนเราเกิดมาทีแรกมานอนอยู่ในครันมารดาท่องแม่มันพ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้เรามานั่งอยู่ข้างนอกนั่งภาวนาอยู่ก็ให้จิตใจมารวมมาสงอบอยู่ภายในเดี๋ยวนี้ส้นเลือ่อ่วนเรื่องราวอะไรซึ่งเป็นอนาคตการดีชั่วประการใดก็ตามอันนั้นก็มันยังไม่มาถึง บัดนี้ถึงอยู่มีอยู่ในเวลาปัจจุบันร่างกายรู ป, ปรขันธ์ธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้ก็นั่งภาวนานั่งฟังธรรมอยู่นี่ก็รวมกําลังตั้งใจให้มั่นลงไปภายในนี้ให้ได้การปฏิบัติภาวนานี้เรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของนามธรรม เคอว่าไม่มีรูปร่างสีสันตานเหมือนวัตถุเข้าของอันส่วนรูปร่างกายของแต่ละบุคคล น, นี้มันก็เป็นธาตุดินธาต้ น, น้ําธาตุไฟธาตุลมเมื่อมีเหตุปัจจัยอยู่มันก็ทรงอยู่ได้เมื่อหมดเหตุปัจจัยเมื่อใดเวลาใดมนุษย์ทั้งหลายเขาก็เรียกว่าคนนั้นตายไปแล้ว พระเนนองค์นั่นตายไปแล้วแม่เขาวนางชีคนนั่นตายไปแล้วญาติโยมอุบาศกอมบวาชิกาคณะสัตว์วัดนั้นวัดนี้ตายไปแล้วคือมันหมดเหตุปัจจัยมันก็ตายไปแต่โรคประคันนั้นมันเป็นเพียงธาตุธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมประชมกันอยู่ หลักสำคัญในทางพุทธศาสนานี้ท่านให้เอาจิตใจให้รวมจิตใจรักษาจิตใจระวังในใจของเรานั้นเรียก ว, ว่าตั้งใจขึ้นมาให้มีความระลึกอยู่ว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เราคิดอะไรเราปรุงแต่งอะไรจิตใจภายในหมายถึงจิต มันไปเกี่ยวข้องผัวพันุ์อยู่ในกิเลสกามวัตถุกรรมอันใดจิตหลงจิตไม่รู้อันนี้มันยังข้องอยู่ด้วยอารมณ์อันใดมีความมุ่งมากปราถนาอยู่ในกามคุณทั้งห้าด้วยวิธีการใดก็ให้มีสติระลึกอยู่ว่าเวลานี้เราฟังธรรมเวลานี้เราปฏิบัติธรรมะเวลานี้ เราสังวรระวังรักษาจิตใจในทางภาวนาคำว่าเราและของเราก็ให้เป็นเพียงสมมติขึ้นมาเท่านั้นเองความจริงกายวาจาจิตของคนเรานี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาแม้จะได้มาจากบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าท่านก็บอกไม่ได้ว่าไม่ฟัง เพรลูกนามกายใจอันนี้มันตกอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาแต่จิตไม่รู้ไม่เข้าใจจึงได้มายึดหน้าถือตาได้มายึดตัวถือตนยึดตัวเราของเราอะไรต่อมีอะไรมากมายจนกระทั่งจิตใจสงบประงับตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนาไม่ได้ จนกระทั่งกำหนดลกูกนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตาลงไปก็ไม่ได้เพราะมันมายึดอยู่ถืออยู่ในร่างกายสังขารนันนี้ถือชาติถือตระกูลถือครูถืออาจารย์ถือนั่นถือนี่ใครเป็นผู้ถือก็จิตหลงจิตไม่รู้จิตไม่หยุดไม่อยู่นี่แหละมันมายึดถืออยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องดูตัวอย่างพระศ า, าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรส่วนพระพุทธเจ้านั้นเมื่ออายุได้ยี่สิบเก้าปีพระองค์ก็เสด็จออกบรรพชาเป็นพระฤาษีตนหนึ่งยังไม่ได้เป็นประสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระองค์อธิษฐานองค์ของท่านเป็นพระเป็นนักบวชแล้วก็เที่ยวภาวนาอยู่ในป่าในเขาป่าเขาของอินเดียนั้นเรียกว่าป่าเขาใหญ่เรียกว่าป่าหิมะผ่านคำว่าหิมะหนึ่งก็คือว่าน้าแข็งหิมะสโนน้าแข็งแถบเหนือของอินเดียมีน้าแข็งจับโพเขา ไปไหนมาไหนก็ต้องเย็นต้องมีแต่เรื่องน้ำความหนาวแหละภาคเหนือของอินเดียกรุงกระบินละพัฒภาคเหนือของอินเดียมันติดใกล้ใกล้เขาหิมาลัยเขาใหญ่ที่สุดในโลกพระองค์ก็สแสวงหาถ้ำหาคูหาที่ภาวนาป่าดงเงียบส ง, งดที่ไหนพระองค์ก็ไปที่นั่นไปที่นั่นก็ภาวนาในจิตในใจของท่าน บำเพ็ญโยในป่าในเขาในที่เงียบสงัดนั้นตั้งหกพรรษาหกปีล่วงแล้วทีนี้พระองค์ก็สเสด็จลงมาทางภาคกลางหรือว่ากลางแผ่นดินอินเดียก็ว่าได้มาถึงต้นไมโพที่ว่าอยู่ริมแม่ใกล้แม่น้ำเนลันฉลากเมื่อพระองค์มาถึงต้นไมโพนั้น ก็เข้าพะไทยทีเดียวว่าต้นไม้ต้นนี้นั้นล่มดีพึ่งพาอาศัยได้ตั้งแต่เช้าพระองค์เสวยอาหารละบินธรรมบาาแล้วก็มาอาศัยอยู่ในบริเวณล้มโพนั้นรู้สึกว่าล้มโพล้มไม้ต้นนี้นั้นเป็นที่สบายจะภาวนาในที่นี้แหละพระองค์กอไก่กองโยวา การบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขแสนมาหากับนั่นก็จะจบสิ้นลงในล้มไม้ตนนี้แหละเราจะนั่งสมาธิภาวนาให้มันตักกิเลสให้มันได้ในล้มไม้ตนนี้ทั้งบังเอิญในตอน บ, าบ่ายเย็นๆนั้นมีแขกเลี่ยงโคอยู่คนหนึ่งมาเห็นเข้าก็เข้าพัดเข้าใจว่าพระฤาษีตนนี้คงนอนที่นี่แน่ ตั้งแต่เช้ามาจนบ่ายค่ำแล้วก็ไม่ไปทางอื่นถ้าจะชอบใจอยู่ที่นี่แค่เลี้ยงโคก็มีศรัทธาอยากกันนั่นเลยเราก็ช่วยท่านเพราะว่าไม่มีเสนาสนะบ้านเรือนอะไรอยู่ใต้ลมไมน้นนั่งก็นั่งในแผ่นดินกองหญ้าก็มีศรัทธาไปเกี่ยวเอายาคาแปดกรรม เพื่อให้พระอิสีตนนี้ได้นอนสบายก็เอามาถวายยากาแปดกรรมนั่นพระองค์ก็รับไว้แล้วก็มาคิดว่ายาคาทั้งแปดกรรมนี้แขกเรื่องโคมันจะให้นอนแต่เราไม่นอนคืนนี้จะเป็นคืนภาวนาที่สิ้นสุดแลกวว่าอย่างนั้น ไม่ต้องเห็นแกหลับแกนอนการที่ไม่ได้ตรัสลูลก็เพราะมันคล้องอยู่ในการกินการนอนความสุขความสบายเหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละพระองค์ก็คิดได้เอาญาตคาทั้งแปดกรรมนั่นมาพิจารณาว่าทิศไหนของต้นไม้ตนนี้จะเป็นวิ่งมงคลเพื่อการนั่งสมาธิภาวนา ก็พิจารณาดูทิศเหนือทิศ ต, ตะวันตกทิศใต้ก็ไม่เป็นมงคลมาถึงทิศ ต, ตะวันออกก็เห็นว่าทิศนี้แหละพอตื่นเช้ามาก็จะมีพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาด้านนี้พระองค์ก็เลยเอายาคาทั้งแปดกรรมนั่นแหละคี่ปูทับไปทับมาจนหมดแล้วก็เข้าไปเน่าพินหน้าไปทางทิศ ต, ตะวันออกผินหลังให้ ต้นไม่โผลต้นไม่นั่นด้วยการนั่งขับสมาธิเพชรทีวานี่แหละคือพระองค์เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายผินหน้าผินสะพักไปทางทิศตะวันออก เมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวานาครั้งนี้จะให้เป็นนั่งครั้งสุดท้ายถ้าไม่ได้ตัดสู่เป็นสัพพุทธเจ้าก็ไม่ลุกจากที่นี้ ไม่ต้องเป็นห่วงกินห่วงนอนกันอีกต่อไปไม่ได้ตัดสโล่คนนั่งให้มันตายในที่นี้แหละแล้วถ้าได้ตัดสโล่จึงจะเคลื่อนที่หนีจากที่นี้หรือว่าลุกไปมาในที่ต่างๆเหมือนธรรมดาถ้าไม่ได้ตัดสรู่แล้วก็ไม่ไปไหนหยุดนัง่งภาวนา พระองค์ตั้งใจลงไปแน่วแน่มั่นคงที่สุดคือว่าแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือว่ามันจะถึงเวลาตายก็จะตายที่นี้ไม่ต้องไปตายที่อื่นกิเลสมารสังขารมารไม่ต้องมายั่วยุให้ข้าพเจ้าลุ่มหลงมัวเมาอีกต่อไปในีเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสพ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ระลึกถึงว่าอุบายใดที่จะเป็นอุบายภาวนาที่ดีที่สุดละองก์กนนึกได้ว่าชีวิตของคนเราในโลกมันมีอยู่ที่ลมหายใจธาตุลมหรือว่าลมหายใจนี่แหละสูรปลาเข้าไปเลี้ยงร่างกายลมหายใจออกมาอันนี้เป็นที่สังเกตได้ง่าย คือว่าลมมันผ่านจิตใจรู้ว่าลมเข้าไปลมออกมาแต่ว่าธาตุลมนี่เขาไม่รู้จิตใจใจของพระองค์เป็นผู้รู้จักว่าลมพระองค์ก็เอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นอุบายภาวนาลมเข้าไปนะ่มันผ่านดวงจิตผู้รู้ของพระองค์ก็นี่แหละลมเข้า เวลาลมออกมาก็รู้ว่านี่เป็นลมออกผ่านดวงจิตดวงใจอยู่ทุกขณะลมเข้าออกพระองค์ก็ปล่อยวางอารมณ์เรื่องราวต่างๆภายนอกออกไปไม่ให้อารมณ์ภายนอกมาวุ่นวายยังมีอะไรปรากฏภายในภายนอกก็เฉยหมดเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก อยู่ที่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ภายในของพระองค์นั่นแหละเมื่อพระองค์ตามรู้เห็นซึ่งลมหรือว่าเอาลมมัดจิตหรือเอาจิตจับอยู่ที่ลมอะไรก็ได้ว่าแต่มันอยู่ภายในกายหนังหุ้มอยู่นี่แหละเป็นพอใจพระองค์ก็จดจอ่จออยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ สบายก็รู้ไม่สบายก็รู้ชิงอื่นนอกนี้ออกไปไม่เอาทางนั้นเอาภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดลอบเข้าไปเข้าไปกับถึงจิตใจดวงผู้รู้อยู่พระองค์รวมจิตใจด้วยการนึกถึงลมหายใจเข้าออกไม่ให้หลงลืมส่วนลลมเข้าลมออกเมื่อผ่านแล้วก็แล้วไป จิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ในใจของพระองค์พระองค์ก็รวมจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนาอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดแน่วแน่มั่นคงจิตใจที่แส้ายออกไปภายนอกก็หมดไปสิ้นไปเหลือแต่จิตใจภายใน พระองค์ก็ทำความเพียรภายในจิตใจอันนี้จนแน่นแท่นดีแล้วจึงได้ยกพิจารณาถึงรูปร่างกายสังขารของพระองค์เองที่มีชีวิตทีวามานั้นคือว่ากายหมายถึงรูปร่างกายจิตหมายถึงจิตใจผู้คิดผู้รู้ผู้เห็นอยู่ภายใน พระองค์มาเห็นว่ารูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลเหล่าเขาเหล่านี้เมื่อเกิดมาแล้วก็มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีความเจริญขึ้นเมื่อเจริญหมดขีดแล้วก็ไปสู่ความ แต่ความดักเป็นธรรมดาอย่างนี้จึงมีว่านามลาลูปังอนิจจานามและลูกไม่เที่ยงนามลาลูปังทุกขังนามและลูกเป็นทุกนามา ล, ลูปังอนัตตานามและลูกไม่ใช่ตัวตนของของเราเมื่อพระองค์มากําหนดตรงนี้จิตใจก็เข้าใจใน ทิในสัตว์ศาสนาคำสอนทั้งหมดในทางพุทธศาสนาคือพระองค์ปล่อยวางไม่ยึดไม่ถือในรูปนามกายใจนี้เองแล้วนอกจากไม่ยึดถือภายในแล้วพายนอกออกไปตลอดจนผืนแผ่นดินต้นไม้ภูเขาคนสัตว์ วัตทุธาตุทั้งหลายที่โลกเขาลุ่มหลงมัวเมาอยู่พระองค์ก็ตัดได้คาดไม่มีอะไรที่จะมาเสียดายอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีจิตใจของพระองค์ก็ลดพ้อนออกจากเรื่องราวทั้งหลายแหลหมดจึงได้นามว่าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญานเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลก ละพระองค์ละกิเลสราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดพร้อมทางวาสนากิริยากายวาจาจิตอะไรไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เลิกละได้หมดเดี๋ยววันเรียบร้อยหมดเนี่ยละกิเลสพร้อมทางวาสนาหลังจากนั้นมาก็ประมาณมาถึงวันเข้าพรรษา ประมาณนั่นที่เราเรียกว่าอาสารหาบูชานะ่ะจึงตั้งใจไปโปรดปัญเจวคกีลือศีทั้งห้าซึ่งหลบหนีจากพระองค์ไปอยู่เมืองพาลานาสีพระองค์ก็สเสด็จไปโปรดปัญเจวคกีลือศีทั้งห้าสแสดงธรรมาจากกับประวัติศาสตรที่ว่าปฐมเทศนา แล้วก็แส ด, แดงอนัตตลักษณะสุดแสดงขันธ์ห้าลูกเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไม่ควรยึดถือปัญจาวาคีรืฤสีทั้งห้าก็ได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งอรหันตากินาศพระองค์ก็ส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งห้าองค์ให้ไปองค์ละทางละทางไม่ให้ไปร่วมกันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้โลกรู้ว่ามนุษย์นั้นไม่ใช่มีแต่มนุษย์ที่บริโภค ก, กรรมมาสุกกรรมมาขุนวุ่นวายในกิเลสอย่างเดียวสาวกของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าท่านไม่วุ่นวายอย่างชาวโลกทั้งหลาย แม้ภาษาวก k จะไปที่ไหนที่ไหนก็เป็นการเผยแผ่พระธรรมทางนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเทศอย่างเดียวจึงเป็นพระธรรมตามนุษย์ได้เห็นหูมนุษย์ได้ฟังมันก็เป็นธรรมเป็นวินัยทางนั้นเขาจะได้เปลี่ยนแปลงจรจิตใจของเขาให้เป็นไปในทางพุทธศาสนาเนี่เคือว่าเกี่ยวกับภาวนา สมัยก่อนโลนท่านไม่มีแบบมีแผนมีตำนานไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากมายเรียกว่าทำใจของตนให้สงบนั่นแหละจึงมีวิธีการต่อๆมาให้มีการนั่งสมาธิภาวนาเดินจมกลมอย่างนั้นอย่างนี้ถือข้อวัดปฏิบัติต่างๆนั้นๆจุดมุ่งหมายที่สุดของพระพุทธเจ้าของเราก็คือว่าให้สาวกทั้งหลายเรียนรู้ ว่าการที่ทุกคนทุกดวงใจมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้เพราะจิตไม่รู้นี่เองเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ว่าอาวิชชาจิตไม่รู้ไม่ภาวนาจิตไม่หยุดไม่อยู่เนี่ยภายในจึงได้มาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่ไม่จบไม่สิ้นเมื่อพระองค์สอนสาวกอยู่ตลอดเวลา มรรคผลนิพพานก็ปรากฏในดวงใจของพุทธบริสัทธสี่ภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรลีอุบาสกอุบาสิกาผู้ภาวนาทั้งหลายไม่เลือกบุคคลก็รู้ได้เข้าใจภายในวิธีการละกิเลสความโกรธให้หมดไปละกิเลสความโลภให้หมดไปละกิเลสความหลงให้หมดไปสิ้นไปนั่น เมื่อรวมยอดแล้วก็มารวมอยู่ที่จิตใจต้องสงบระงับตั้งมั่นในจิตใจเสียก่อนถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วอะไรอะไรมันก็ผิดพลาดไปหมดจึงมีวิธีว่าต้องสงบกายสงบวาจาสงบจิตจึงมีบริกรรมพุทโธพุทโธหรือว่าบริกรรมอนาปาลมหายใจอย่างพระพุทธเจ้าก็ได้ อุบายใดที่จะยังจิตใจของตนให้สงบประงับตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วก็เอาอุบายนั่นแหละมาพร่ำสอนจิตใจของตนเรียกว่าบริกรรมยังจิตใจให้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติจริงๆเมื่อสาวกทั้งหลายทาตามปฏิบัติตามไม่ว่าเพศใดไวไดัยใดก็ตามก็ย่อมเข้าใจ ในธรรมปฏิบัตินั้ น, น, นคือจิตใจของคนเรานั้นย่นย่อเข้ามาให้สั้นให้น้อยที่สุดก็คือว่าดวงจิตดวงที่มีความรู้อยู่เราฟังเสียงเมื่อเสียงดังออกไป <c oughs> ก็ไปรู้ในจิตหูนี่รับเอาเสียงเข้าไปผู้รู้ว่าเสียงนั้นคือจิต จิตดวงผู้โลดอยู่ในตัวเรากายใจเราทุกคนดวงจิตผู้ลูลนี่หนึ่งเป็นที่ตั้งมัน่นเป็นสมาธิลงไปที่หลงนี้แล้วก็ให้เห็นว่าสังขารจิตที่มันปรงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรนั้นอย่าได้ตามมันไปไม่มีที่สิ้นสุด ท่าดิ้นล่นวุ่นวายไปตามสังขารที่ปรุงแต่งนั่นแล้วนั่นวาไปตามอำนาจตัณหาการมตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาไม่มีที่จบที่สิน้นแล้วให้ทบทวนกระแสเข้ามาว่าเจ็ดดวงไหนที่มีความรู้สึกอยู่ในใจอยู่ในตัวคําว่าใจนี้ มันเป็นนามธรรมมีแต่ชื่อจะหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นวัตถุเข้าของเหมือนกับร่างกายของคนเราก็ไม่ไม่เอาอย่างนี้ก็ไม่ได้แต่มันก็อาศัยอยู่ในร่างกายนี้เองจิตใจดวงนี้แล้วจิตดวงนี้แหละมันเป็นใหญ่เป็นประธานอยู่ในร่างกายตัวตนคนเราแต่ละบุคคล เวลาภาวานาท่านก็ให้รวมเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจดวงผู้รู้อันนี้ถ้าสังเกตให้ดีก็จะเข้าใจได้ว่าอะคำว่าจิตผู้รู้นี่มันก็สมมุติขึ้นมาบัญญัติขึ้นมานั่นเองความจริงแล้วจิตอันนี้มันมีมาตั้งแต่ก่อนเกิดก่อนจะมาเกิดชาตินี้เอาลูกนามกายใจอันนี้จิตดวงนี้มันเกิดมานานแล้ว ทันให้ชื่อว่าเกิดมานับพบนับชาติไม่ทวนนับกลับนับกันอะไรก็ไม่ได้ทางนั้นมันอนเนกชาติเพราะจิตนี่มันหลงอยู่ในลูกในเสียงในดิ่นในรสในโพธพภพธรรมอาลมแม้ในตัวของคนเราแต่ละบุคคลไม่ว่าหญิงชายมันก็มีตาหูจมูกเล่นกายใจใจก็หมายถึงจิตใจผู้รู้ผู้เห็นภายในนั่นแหละ แต่ใจอันนี้นั้นไม่ค่อยดูตัวของตัวเองมักจะไปดูตัวคนอื่นเห็นคนอื่นเห็นสิ่งอื่นเห็นวัตถุอื่นคือตามีไว้สำหรับเห็นรูปเมื่อเห็นรูปนั้นรูปดีจิตหลงอันนี้ก็ต้องการอยากได้ถ้าลูกขี่ร้ายขีเหล่ลูก ป, ปฏิกูนโศกโครคจิตอันนี้ก็เกลียดชังไม่ต้องการรูปนั้น เสียงที่เพาะและไม่เพาะมันก็แบบเดียวกันถ้าเสียงใดเพาะจาบจงถูกกับจิตใจของตัวเองก็เพลเ่ินลุ่มหลงไปถ้าเสียงเขาดุดาว่าไลยป้ายสีให้ก็ไม่ชอบใจกโกรธเกิดขัดเคืองขึ้นมาเนล่ะให้รวมจิตใจเข้ามายาให้หลงไหลไปตามลูปเสียงกลิ่นรสโภชพระธรรมอารมไม่ให้ดีใจเสียใจไปอย่างนั้น ให้ลวมจิตใจเข้ามาตั้งภายในสังเกตว่าเจ็ดดวงที่มีความรู้อยู่นั้นไม่ได้ไปที่ไหนนั่งเฝ้านอนเฝ้าร่างกายกองกระดูกของตัวเองอยู่นี่แหละรอวันตายอยู่ก็ว่าได้มันรอวันมันจะตายอยู่ นั่งก็รอท่าวันตายนอนก็รอท่าวันตายยืนก็รอท่าวันตายเดินก็รอท่าวันตายเดินไปสู่ความตายจะไปลถไปเรือไปไหนก็ตามมันก็หอบทิ้ว เ, เอาลูกประขันอันนี้ไปนั่นเองเมื่อเรามาลู่มาเข้าใจแจ่มแจ้งอย่างนี้แหละ ว่าจิตใจนี้มันไม่ตายมันตายแต่รูปร่างกายเราจะไปกลัวตายทาไมานั่งภาวนาเดินจงกรมปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยให้เนสติเตือนจิตนี้อยู่เสมอว่าจิตใจดวงผู้ลู้ผู้เห็นมีอยู่ในตัวในใจนี้มันไม่เด็ดไปที่ไหนที่เราว่ามันคิดไปโน่นไปนี่มันเป็นเพียงอารมณ์ของจิตใจไป มันเป็นอาการแสดงออกว่าไปเท่านั้นธาตุแท้ของแท้ของจริงมันไม่เด็กไปถ้าจิตใจดวงผู้รู้นี้ออกจากร่างกายสังขารอันนี้ไปจริงๆและตายคนเรานั้นตายที่คนตายไม่ว่าครูบาอาจารย์ตายอย่างหลงหู้ดุลหลวงรับไปหลวงปู่ขา่าหลวงหลับไปนี่คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลม เรือนร่างของจิตใจที่มาอาศัยนี่เองตายเขาก็เรียกว่าตายเมื่อจิตดวงผูู้้ออกจากสาลิละร่างกายแล้วมันก็ไปสู่บุญกุศลผู้ปฏิบัติก็ละกิเลสได้ขั้นใดภูมิใดก็ไปตามกิเลสที่ละได้นั้น ทาะกิเลสหมดเหมือนพระแต่ก่อนท่านไม่ห่วงอะไรมากมายเหมือนพวกเราทั้งหลายที่ว่าเป็นพระอาราหันตาคีนาศนะทันละกิเลสลาคโทตโมหะทั้งยางหยาอย่างกลางอย่างละเอียดหมดสิ้นไปเมื่อลูกน้ำแตกดับที่ว่าตายแล้วนี่แหละจิต อ, อันนั้นก็เข้าถึงซึ่งนิพพาน นิพพานังประมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขนิพพานังปรมังสูญอย่างนิพพานังปรมังสุ ข, ขังคือว่าเมื่อละกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มายิดหน้าถือตาไมมายิดตัวถือตนไม่มายิจว่าตัวเราของเราได้หมดสิน้นจิตอันนั้นก็เข้าสู่นิพพานเรีกว่ามีความสุขสบายไม่มีเรื่องทุกข์ เรื่องทุกข์คิดหามันมีอยู่ในใจทุกคนนั่นแหละแต่ว่าการปฏิบัติการภาวนาในใจของเรามันยังไม่ถึงก็ไปคาดหมายเอาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะไม่เป็นอย่างนี้เรื่อยไปอะไรทั้งหมดนั้นต้องดับไว้ก่อนละไปก่อนในหลักนิโรดนิโรธธรรม ท่านแสดงไว้ว่าคือลั ง, งับดับลงไปอะไรทั้งหมด้าโคเสียสลักิเลสราคะโทสะโมหะไม่ให้มีอยู่ปฏินิทสโคปล่อยอย่ามายึดไว้ถือไว้มุติเอาให้หลุดพ้นคือให้มันหลดุดออกจากจิตใจไม่ให้ใจมันมาหลงอยู่ ในที่นี้เรียกว่าปล่อยวางให้มันหลุดออกไปกิเลสอันใดที่เราเลือกมาได้แล้วละมาได้แล้วอย่างว่าเราตัดเพศคารวะญาติโยมออกไปหมดแล้วก็ไม่ต้องกลับไปคิดไปปรุงแต่งที่จะออกไปสู่คารวะญาติโยมอีกแม้จะเด็กก็ตามนุมก็ตามมันก็ตายได้เหมือนกันไม่ตายเมื่อเด็กมันก็ไปตายเวลา หนุ่มเวลากลางคนไม่ตายเวลากลางคนถึงวัยแก่วัยชรามันก็ตายอันตายหมดลมหายใจนั่นอย่างหนึ่งตายจากคุณงามความดีนั่นอย่างหนึ่งถ้าผู้ใดไม่ตั้งใจภาวนาก็คือว่าตายจากความดีตายจากาทานชิ้นภาวนาไม่ปฏิบัติภาวนาไม่ละกิแลกความโกรธโลกหลงของตัวเองก็เชื่อว่ามันตายไป ไม่ได้คุณงามความดีอันใดเกิดมีขึ้นเมื่อตั้งจิตใจยกจิตใจให้สูงส่งขึ้นมาเบ่อให้ตกต่ำเบื่อให้หลงไหลไปตามคนตามสัตว์ตามวัตถุธาตุต่างหลายจิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนก็มาสงบ ร, รังอับมาเพียนเพ่งอยู่ในที่นี้ที่นี้หมายถึงจิตใจดวงผู้รู้อยู่ เมื่อรวมเมื่อสงบเข้ามาที่นี่แล้วนอกจากคิดใ จ, จดวงที่รู้นี้ออกไปทั้งหมดในโลกนี้ไม่เที่ยงท้งนั้นเป็นทุกข์ใครหลงไหลไปก็เป็นทุกข์เราเปล่าไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดเกิดมาแล้วก็แก่ชราเจ็บไข้ตายไปตามธรรมดาของลูกนามกายใจอันนี้ จิตผู้ภาวานาลู่อยู่เห็นอยู่ทุกเวลาแล้วก็มีสติอยู่ทุกขณะทุกเวลามีสมาธิคือจิตนั่นมันตั้งมั่นลงไปจริงๆเมื่อจิตตั้งมั่นก็มีขญ า, ามีปัญญาเมื่อมีปัญญารอบลูกในกองสังขารได้หมดสิน้นก็จะม่ย่อมเกิดญาณอันวิเศษที่จะละกิเลส อย่างหยาดอย่างกลางอย่างรางยาละเอียดให้หมดไปสิ้นไปต้องได้ญาณคำว่าญาณก็อย่างรู้อย่างเห็นเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตมันก็เลิกได้ละได้ไอ้ที่มันเลิกไม่ได้ละไม่ได้คือมันไม่เห็นมันเห็นแต่ว่ามันเห็นไปอีกรูปหนึ่งเห็นโดยความไม่แจ่มแจ้ง เห็นที่แจมแจ้งก็คือว่าตามความมันเป็นจริงนั้นเป็นจริงโย่อย่างใดท่านก็เห็นแจ้งไปตามความเป็นจริงนั้นแล้วส่วนมารกิเลสที่มันยั่วยุทำให้จิตใจมนุษย์คนเราวุ่นวายตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายตายแล้วมันก็โกหกพวกลมอยู่อย่างนั้นแหละผู้ปฏิบัติธรรมนี้ทา่านไม่ต้องรองให้ถึงวันตาย วันใดก็ตามมันตายวันไหนก็วันนั้นแหละตายมันยังมีชีวิตอยู่ก็ภาวนารวบรวมกําลังจิตใจภายในนี้แหละให้เกิดมีขึ้นไม่ให้มันมีความท้อแท้อ่อนแอในดวงจิตดวงใจนั้นให้ใจมันหนักแน่นเหมือนแผ่นดินยิ่งกว่าแผ่นดินเมื่อใจมีความหนักแน่นเหมือนแผ่นดินแล้วภาวนาได้ตลอดเวลา ถ้ามันเกิดเจ็บปวดทุกขเวทนาขึ้นมาก็เตือนจิตนี่ว่าธรรมดาลูกประคันเขาต้องเป็นอย่างนี้แหละมีแก่มีชรามีเจ็บมีไข้และมีตายไม่ว่ามนุษย์อยู่ที่ไหนสัตว์อยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างเดียวกันหมด หน้าที่ของผู้ปฏิบัติภาวนาก็มีหน้าที่ละสิ่งต่างๆที่จิตมันยึดไว้ถือไว้ถือมาตั้งแต่อเนกชาติจนละทิ้งให้หมดไม่เอาอะไรอีกต่อไปไม่จุดไฟให้ไหมหัวใจอีกต่อไปได้ ว, ว่าสงบแน่วแน่มัน่นคงอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในไม่ไปอยู่ภายนอกแล้วว่าภาวนาอยู่ตลอดกาย เน่าก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินก็ภาวนาไปไหนมาไหนก็ภาวนาทั้งนั้นละกิเลสอยู่ตลอดเวลากิเลสอันใดยังเลิกยังไม่ได้ละยังไม่ขาดเอามาทาความเพียรละกิเลสในใจนั้นให้หมดสิ้นไปจิบ ใ, ใจก็จะได้สะดวกสบายมีความเป็นหนึ่งดวงหนึ่งดวงเดียวความขี้เศราเหงานอนก็จะหมดไป เพราะว่าใจิตใจคนเรานั้นถ้าปล่อยให้อถีนามิทะความง่วงเหงาเหง า, านอนเข้ามาทับถมแล้วก็รู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้ทางนั้นแหละเพราะว่าจิตมันไม่แจ่มแจ้ ง, จงชัดเจนอันนั่งก็เหงานอนอะไรต่อ น, นี้อะไรไม่ให้มีให้ใจที่นึกภาวนาพุทธโธหรือนึกอุบายใดก็เอาอุบายนั้นมาตักเตือนใจิตใจนี้ให้ดั้ มันจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆทางรูปร่างกายก็าตามจิตไม่ต้องไปเดือดร้อนใครเพราะว่าจิตนั้นมันเป็นของไม่ตายที่มันเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ในใจนี้คือว่าความไม่รู้แจ้งเห็นจริงความไม่ปล่อยไม่วางนั่นแหละมีอะไรเกิดขึ้นลูก เกิดขึ้นก็ยึบรูปเสียงเกิดขึ้นก็ยึบเสียงกิ่นเกิดขึ้นก็หลงในกลิ่นในรสในพอตปาตัมมาลมคือไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักเลิกละอีกยังได้เกิดความทุกข์โทมนัดครับแค่นแน่นใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อมาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาแล้วไม่ต้องไปยึดอะไรถืออะไรให้มันยุ่งเหยิงขึ้นมา เมื่อมันเกิดขึ้นมาได้มันก็แก่กรลาแตกดับตายไปเหมือนนกันหมดไม่ว่าคนไหนผู้ใดอยู่ที่ไหนก็ตามไม่สำคัญในสถานที่อยู่ภายนอกมันสำคัญที่จ็ดของตัวเองมีสติทุกเวลาจึงจะได้ เมื่อมีสติอยู่ทุกเวลาเตือนจิตใจผู้นี้ให้ภาวนานิ่งแน่วมั่นคงหนักแน่นอยู่ภายในจิตใจใจก็ย่อมสบายเป็นจิตใจที่เฉลียวฉลาดสามารถอา่านในการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสนั้นได้คือต้องทำอยู่เสมอปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทุกลมหายใจเข้าออก หรือทันว่าเนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกคือว่ามีสติอยู่ทุกเวลาจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ทุกเวลาจิตใจมีพญาปัญญาอยู่ทุกเวลา เมื่อศีนสมาธิปัญญามีพร้อมมูลบริบูรณ์ในจิตใจของผู้ปฏิบัติแล้ว จ, จิตใจก็เรียกว่าตั้งมัน่นท้าวรมั่นคงหนักแน่นไม่วันไหว จ, จิตใจดวงผู้รู้โยที่ไหนก็รวมกําลังจิตใจเข้ามาตั้งภายใน จ, จิตใจอันนี้ให้ได้เมื่อได้จิตใจอันนี้แล้วอันอื่นมันก็ได้หมดแหละถ้าไม่ได้จิตใจอะไรก็เหลวไหลทางนั้น จึงต้องมีวิธีการปฏิบัติบูบชาภาวนาในจิตใจของผู้ปฏิบัติเองไม่ต้องไปคว้าเอาที่อื่นจิตใจดวงฟูรู้มีอยู่ที่นี้ก็รวมกำลังลงไปตั้งมั่นในหัวใจขณะนี้เวลานี้ให้ได้อันการปฏิบัติบูบบชาภาวนานี้เมื่อคิดมากไปมันก็เป็นของยุ่งยากไม่ต้องคิดให้มาก จิตใจดวงผูรู้อยู่ที่ไหนก็เข้าภาวนาอยู่ที่นั่นยืนเดินนั่งนอนทุกยิริยามหมก็ไม่ให้ความประมาทมัวเมาเข้ามาขับถม จ, จิตใจชื่อว่าภาวนาอยู่ตลอดวันภาวนาอยู่ตลอดคืนทั้งยืนเดินนั่งนอนก็ภาวนาอยู่ทั้งนั่นฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นอุบายปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนา เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายมาเข้าใจแล้วก็ให้นำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุกความเจริญวังก็มีด้วยประการละชนีสักขีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตพวัตวันตรายโายจุกิธิคายุโกภะอาปิวาธนาชิริชนิจังุตตาปจายิโน ะตารโรธรรมาวัฏันติอายุวนโนโช ข, ขังปาหลังณ <c oughs> โอกาสนี้เป็นต้นไปได้เวลานั่งสมาธิภาวานาการนั่งสมาธิภาวานานั้นอย่าได้ลืมนั่งขัดสมาธิ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 หรือว่าบริกรรมมาลานกรรมฐานทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกนอนจิตใจสงบรังอับเยือกเย็นสบายจึงถือว่าเป็นการนั่งสมาธิภาวนาแต่ละคืนละคืนให้จิตใจสงบได้ตั้งมั่นเย็นสบายเชยก่อน จึงค่อยหลับค่อยนอนเมื่อเราอยู่ที่บ้านเรือนของเรานั้นการนั่งสมาธิเนเป็นอบายอันหนึ่งเรียบเป็นเพื่องฝึกฝึกแต่กายฝึกกายฝึกวาจาฝึกดวงจิต ที่ท่านให้นึกพุโทโธพุธโทโธนั่นก็คือไม่ให้จิตมันคิดลั่ไหลไปที่อื่นเอาจิตใจมาจดจออ่อโยที่ลมหายใจสังเกตลมหายใจด้วยว่าจิตมันได้รู้สึกทุกลมหายใจไหมได้นึกพุโทโธในใจไหมการฟังธรรมได้ความชัดแจ้งดีไหม เมื่อในใจของผู้นั่งสมาธิชัดแจ้งก็คือว่าความตั้งใจสงบจิตสงบใจฟังทำในจิตในใจของตนให้แน่วแน่มั่นคงไม่ปล่อยให้ความลุ่มหลงมัวเมาตามอำนาจกิเลสมาทับถมจิตใจของตนเพราะว่าดวงใจคนเหล่านั้น มันโยกับกองกิเลสกองกิเลสนั้นมันกองแต่พื้นเท่าถึงสีษะกองแต่สีรษะถึงพื้นเท่าหน้าภายในหนังห่มโยนี่แหละชื่อว่าเป็นที่อยู่ของกิเลสกิเลสนั้นเมื่อจัดจย่อยๆเรียกว่ากิเลสมีพันห้าตันหามีร้อยแต่ท่านก็ว่า ก็คือว่ามันมากมายในใจคนเราทุกคนเพราะมันเคยเกิดเคยตายอยู่กับกิเลสความโกรธกิเลสความโลภ ก, กิเลสความหลงกิเลสราคะโทสะโมหะนี้มันโผล่มัดลัดลึงจิตใจคนเราให้ติดอยู่แน่นอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกพร ม, มโลกเปตาโลกย ม, มโลก พาให้ติดข้องโยในสัตว์สิงเดียและฌานนั้นเราต้องตั้งใจปฏบิบัติบูชาภาวนาจิตใจจึงจะสูงขึ้นลำพังการเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์นั้นมันยังไม่สูงพอต้องมีการประพฤติปฏิบัติภาวนาในใจของตัวเอง ให้จิตใจตั้งมั่นอยู่ในสมาธิภาวนาจิตใจมันก็สูงขึ้นไปเองสมัยครั้งพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนชีพอยู่นี่เศรษฐีคนหนึ่งไม่เลื่อมใสในคนพระพุทธเจ้า ไม่เลื่อมใสในคุพระธรรมไม่เลื่อมใสในคณพระสงฆ์เวลาแก่แก่เท่าชะลาตายไปก็มาเกิดเป็นสุนัขที่บ้านลูกชายของแกนนแนธธ่นั่นแหละที่บ้านเศรษฐีนั่นแหละธรรมดาเศรษฐีคนโบราณเมื่อตายแล้วลูกก็เดี๋ยวเธอเป็นมหานายมหาเศรษฐีต่อไป พ่อที่ตายไปลูกชายก็ไม่รู้ว่าพ่อตัวเองตายแล้วมาเกิดเป็นสุนัขเป็นหมาอยู่ที่บ้านทีนี้วันหนึ่งก่อนที่จะรู้นั้นพระพุทธเจา้าพระองค์พิจารนาว่าลูกเศรษฐีที่ได้เป็นเศรษฐีแทนพ่อนั้น บนบารณีของแกดีมเัทธาเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาพระองค์ก็ทำเป็นอุบายวันหนึ่งกลับมาจากดินทบาทโลดสสผทานหน้าบ้านเศรษฐีมาตัวที่เศรษฐี ตายแล้วไปเป็นหมาอยู่กับบ้านลูกชายนั่นเองมาเห่าพระโุทธเจ้าตามธรรมดาสุนัขหมามันเห่าทุกอย่างละไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์แต่พระองค์ก็ทำเป็นทำมิกระอุบายว่าดูก่อนเศรษฐีเมื่อเศรษฐีเป็นมนุษย์เป็นคนอยู่ก็ด่าเราตาคต ด้วยประการต่างๆเลไม่มีศรัทธาในทางพุทธศาสนาตายแล้วก็มาเกิดเป็นหมาเฝ้าบ้านให้ลูกตายอยู่นี่เนอะพอพระองค์ตัดอย่างนั้นข่าวนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่กระชอนไปทั่วเมืองเมืองว่านายเศรษฐีของเราที่ตายไปแล้วนั้น ไม่ได้ไปสวรรค์ที่ไหนมาเกิดเป็นหมาเป็นสุนัขอยู่ที่บ้านลูกชายเศรษฐีนั่นเองลูกชายเศรษฐีก็สงสัยจึงไปถามพระพุทธเจา้าไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วถามว่าพระองค์ได้ตรัสว่า พ่อของผมตายแล้วมาเป็นสุนัขที่บ้านหรือพระองค์ก็รับรองว่าเป็นจริงว่าเ น, นีพ่อของมหาเศรษฐีลูกชายนั้นไม่ไปไหนและอยู่นั่นแหละคือชื่อหมาตัวนั้นทีนี้ถ้าเศรษฐีอยากจะรล้ให้ทำอย่างนี้ว่าอย่างนั้น ให้ดูแลหมาตัวนั้นให้ดีหาที่นอนให้มันคอยไปมาหาโซให้อาหารการกินอย่าไปทิ้งปล่อยป่าเหมือนเวลานี้จนหมานั่นสนิทสนมคุณเคยแล้วก็ให้ถามกระซิบที่หูหมาตัวนั้นว่าพ่อได้เอาทรัพย์สินเงินทอง ไปฝังไว้ที่ไหนบ้างบอกลูกด้วยลูกจะได้ไปขดเอามาใช้สอยม้าตัวนั้นก็พาลูกชายเศรษฐีไปที่แกไปฝังที่ไหนก็เอาเท้าเอาตีนกลวยกลวยน่มันก็ขดก็ได้ได้เงินมาเป็นไหเป็นไหไปเลยที่แกเอาไปฝังไว เวลาตายนั้นมันเรียกว่าไม่ทันแกบอกลูกบอกล้านบอกใครไม่ได้ทางนั้นความตายมันรวดเร็วเมื่อโลกเศรษฐีเห็นดังนั้นก็เชื่อแน่ว่าเอคนเรานี่เป็นถึงเศรษฐียังมาเกิดเป็นสุนัขเป็นหมาอยู่เนอะวะอย่างนั้ เน่คือว่าเราเกิดมาเป็นคนอย่ามายึดถือว่าเราดีเราเด่นไม่ได้เราต้องภาวนาทุกวันทุกคืนเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้ภาวนาครั้งใดก็ให้จิตใจสงบนิ่งแนวเป็นดวงเดียวเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนไม่ต้องเป็นห่วงความนอนมากมายนะักเพราะว่า เมื่อเราจะมาเกิดเป็นคนชาตินี้เราทุกคนก็ได้ไปนอนอยู่ในคันมารดาในท้องแม่คนละสิบเดือนสิบเดือนก่อนจึงได้คลอดมาจึงได้เกิดมาจึงได้มาเป็นโคเป็นคนมานั่งฟังธรรมอยู่ที่ถ้ำผาป่องนี้เราทุกคนเคยนอนอยู่ในท้องแม่สิบเดือนแล้วไม่ต้องเป็นห่วงความนอน ตั้งใจภาวนาจนแยกกิเลสความโกรธโลภหลงออกจากจิตใจของตนได้จึงเชื่อว่าเป็นผู้เลื่อมใสในทางพุทธศาสนาถ้ายังแยกยังละกิเลสความโกรธในใจไม่ได้แยกกิเลสความโลภในใจไม่ได้ละกิเลสความหลงในใจไม่ได้นั่นมันก็ สุดแท้แต่ว่ากรรมมันจะปาตกไปในที่ต่างๆอาจจะเป็นสุนัขเหมือนนายเศรษฐีสมัยโบราณก็ได้เป็นได้ทุกอย่างทุกประการดังนั้นเราต้องให้มีความหวาดสะดุ้งต่อภัยอันตรายต่างๆที่จะมาถึงตนไม่มีทางใดแหละที่จะฝึกหัดตัวเองให้ดีขึ้น ต้องฝึกหัดที่นั่งสมาธิภาวนานอกจากเรานั่งขัดสมาธิดได้แล้วก็หมายถึงจิตใจนั่งด้วยจิตใจนั่งหมายคันจิตสงบจิตตั้งมัน่นจิตเป็นสมาธิจิตมีสติไม่เพื่อไม่ลุ่มหลงจิตมีปัญญาจิตมีวิชาความรู้รอบอยู่ในกายวาจาจิตของตนตลอดเวลา จึงเชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นได้ถึงเทวดาพยาอินพยาผอมก็ต้องไปจากจิตนี้เองฉะนั้นเราต้องตั้งจิตเจตนาให้มันแน่วแน่มั่นคงในการประพฤติปฏิบัติไม่ให้เพียงแต่ว่าสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าพูดไป โดยไม่ตั้งใจทำจริงๆก็ไม่ได้ผลฉะ น, นั้นพลวลมหายใจเข้าไปพระองค์ทรงตรัสเตือนไว้ว่ า, วานึกบทภาวนาบทใดก็ให้นึกได้ทลกลมหายใจที่เราสูดเข้าไปได้สูดลมหายใจเข้าไปกับพุทธโธเสียทีหนึ่ง ลมหายใจออกมาก็พุทธโธหรือที่วา่าทําธรรมโมสังโฆอะไรก็ได้ว่าอะไรก็ได้แต่ว่าต้องมีสติควบคุมกายวาจาจิตของตนไม่ให้มันหลงไม่ให้มันพลัง่งเรอมีสติทุกขณะทุกเวลายืนเดินนั่งนอนก็มีสติเรียวว่าสตินั้น จำเป็นต้องระลึกโยทุคขณะทุกเวลาคนที่มีสติไปไหนมาไหนก็ไม่มีภัยอันตรายคนที่ขาดสติมีอยทั่วทั่วไปทำอะไรก็สิงที่ตนทำนั่นแหละพาให้ตัวเองได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะทำขาดสติ สติคือความระลึกได้ระลึกได้ก็คือจิตใจดวงผู้ร้อยู่ในตัวเราคนละดวงละดวงนี่แหละเป็นผู้ระลึกขึ้นมาท่านจึงให้เล็กว่าพุทโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งจิตใจข่องใสสะอาไม่คุณขล้องมองใจด้วยอารมณ์ต่างๆ เมใจิตใจชื่นบานเบิกบานยิ้มแยมแจ่มใสในศีลในทานในภาวนาจึงเชื่อว่าภาวนาไม่ประมาทนั่งก็ภาวนาพุทธโธได้ยืนก็ภาวนาพุทธโธได้เดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาพุทธโธได้ไปลถไปลาก็ภาวนาพุทธโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าออก เวลารถเมีอันตรายอุบัติเหตุขึ้นคนที่ภาวนาพุทธโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าออกหรือกระหมดอุบายทมอันใดได้ทุกลมหายใจเข้าออกพวกนั้นเราว่าปลอดภัยอันตรายหมูเพื่อนตายคนนั้นจะไม่ตายเพราะเตชานุภาพคุณประพุทธเจ้าท่านช่วย เตชานุภาพคุณพระธรรมท่านช่วยเตชานนภาพคุณพระอริยสงฆ์ท่านช่วยอันนั้นต้องพากัรตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาไม่ว่าโยที่ไหนไปที่ไหนถ้าภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกได้แลียว่าไม่ประมาทคนทนเทประมาท ก็คือไม่ได้นึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายทุกลมหายใจเข้าออกเพลินไปหลงไปเศร้าโศกเสียใจไปตามภาษากิเลสผลที่สดก็เลี้ยวว่ามืดมนอนทากาไม่รู้ไม่เข้าใจนี่เป็นโอบายเตือนจิตใจของเราทุกทุกขอนให้มีสติ จนมีสมาธิตาจิตใจตั้งมั่นจนมีปัญญาความรู้ความฉลาดรอบรูกในกองสังขารจนเกิดญาณอันวิเศษจะได้ละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของตนให้หมดไปสิ้นไป ดังแส ด, แดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลชะะนีสภิติโยวิวัตชันตุสภะโลโควินัสโตมาเตภวัตวันตรยโย โขเคเทคายุโกภวะทิวาธานาสิริสนิตยุทธาปยายิโนจตาโรโอธัมมาวตันติอายุวันโนสุขังภาลังเทนี้ถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยกระทำหันขึ้นมาหรือตายอุปเทวเหตุขึ้นมาแล้วมันจะทันได้อย่างไร เพราะมันอ้างการอ้างเวลาอยู่เช้าก็ว่าเช้านักไม่ภาวนาช้ายก็ว่าร้อนแล้วไม่ภาวนากลางคืนก็ว่ากลางคืนไม่ภาวนากลางวันก็กลางวันไม่ภาวนาเมื่อไม่ภาวนากลางคืนกับกลางวันวไปภาวนาที่ไหนโลกนี้มันมีแจ้งก็ให้ชื่อว่ากลางวัน มืดก็ให้ชื่อว่ากลางคืนกลางคืนมืดแจ้งสองอย่างรวมกันเข้าก็ให้ชื่อว่าวันหนึ่งตามสมมตินั้นมันก็มีโยเท่านี้เมื่อมีโยเท่านี้แ ล, ล้วเอาทั้งกลางวันกลางคืนพระพุทธเจ้าตักตืนไว่ว่าทุกลมหายใจเข้าออกนะเธอไม่ได้ ลืมตัวไม่ได้ขาดสติไม่ได้ขาดสมาธิความตั้งใจมั่นก็ไม่ได้ขาดปัญญาวิชาความรู้ภายในก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องไม่ได้ทั้งนั้นจะต้องบริกรรมภาวนาพิจารณากายอันเป็นลูกประขันหยาบหยามันเห็นแต่เบื้องต้น มาเกิดท่มกลางภาวะเป็นอยู่บนปลายคือว่าตายลืมไม่ได้ตายเพราะมันจะตายอยู่วันยังคำํำมันรอตายอยู่คืนยังลง่งตายมันขยับเข้ามาใกล้ทุกเวลา ร่างกายสังขารนี่คันเตีุปอุปมาเหมือนหม้อดินเขาเอาดินมาปั้นเป็นหม้อเป็นไหหม้อดินที่ปั้นขึ้นมาใหญ่เล็กหนาบางประการใดก็ตามหม้อดินย่อมมีเวลาแตกโรูประันโรปนามกายใจของคนเราทุกคนมันคอยวันแต่